แล้วก็เป็นเชา้า <c oughs> วันที่2ของการปฏิบัติ วันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้ยหกสิบเอ็ดการบรรยายที่ยยพูสุนซองหักสุรนักานุขาเข้ม นะไม่ว่าอะไรกระทบความคิดเกิดขึ้นให้ใจสงบไว้กายจะเคลื่อนไหวใจก็สงบเสียงอะไรจะมากระทบใจก็สงบ ไปที่จุดนี้แล้วการเดินทางก็จะเร็วแล้วก็ง่ายถ้าตั้งจิตเอาไว้ถูกแป๊เดียวมก็เข้าใจถ้าตั้งจิตเอาไว้ผิดคือจะทำผลบูแต่ทำผลไม่ได้ทำเหตุ มันก็จะก่อให้เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาตลอดวันนี้นักปฏิบัติไปวิ่งทำผลมันก็เลยก่อตัวตนอย่างเช่นนั่งสมาธิการนั่งสมาธิคือการรู้ลมหายใจนั่นคือการทำเหตุความสงบเป็นผลเข้าใจไหม ควบคุมไม่ได้ผลคือผลผลมาจากเหตุเพราะฉะนั้นถ้าใครพยายามจะทำคือการนั่งสมาธิให้สงบแปลว่าเขาพุ่งไปที่ผลเมื่อพุ่งไปที่ผลจะก่อให้เกิดตันหาหลักดันต่อไปเป็นปัจจัยให้เกิดตัวตนลองนึกดูว่าในชีวิตของเราเรามุ่งทำผลกันหมด ดูเหมือนเราจะรู้คมพระพุทธเจ้าอริยสัจ ส, สีท่องกันมาทั้งหลายเด็กทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยสาเหตุให้เกิดทุกแต่ทุกคนมุ่งไปทำผลกันหมดบริษัทห้างร้านตั้งเป้าไว้สิบล้านยี่สิบล้านทุกคนพุ่งไปที่ผลกันหมดเพราะฉะนั้นมีแต่ทุกอย่างเดียว นั่งปฏิบัติธรรมก็มีแต่ทุกข์ใช้ชีวิตก็มีแต่ทุกข์เลี้ยงลูกก็อยากให้ลูกสอบได้ที่เท่านั้นเท่านี้อยากให้เข้ารงเรียนนั้นได้อยากให้เป็นคนดีทุกคนไปเอาผลกันหมดเพราะฉะนั้นเต็มไปได้วยความทุกข์อึอดอัดเพราะว่าผลไม่ได้ดั่งใจทั้งๆที่เขาไม่เห็นเลยว่าผลเนี่ยมันควบคุมไม่ได้มันทาได้คือเหตุ ถ้าัพูดอย่างนี้ก็คนไม่เข้าใจก็เถียมในใจอีกนะอแล้วบริษัทตั้งเป้าแล้วทำไงยี่สิบล้านนะแ ล, แล้วทำไงเขามีแผนการดำเนินการทำไปตามแผนการดำเนินการส่วนผลจะออกมายังไงในเหตุปัจจัยเป็นร้อยเป็นพันอยากใครจะควบคุมได้ก็มีแต่ปรับแผนการดำเนินการใครจะไปปรับผล นผลออกมาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยมีอีกมากมายเราควบคุมเ ห, เหตุได้กี่เหตุควบคุมการทะเลาะ ก, กันของโดนันทํัมกับคิมจองอึนได้หรนั่นก็คือหนึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้โลกราคาขึ้นขึ้ น, นลงๆงแปรปรวนควบคุมเหตุปัจจัยของ EU ออีได้หรอว่าเศรษฐกิจเขาจะดีหรือไม่ดี เพราะฉะนั้นเราทำได้แค่ดีที่สุดในแต่ละขณะในชีวิตของเราถ้าเรามุ่งไปจับที่ผลมันก็ทุกข์กันไปหมดลูกมีเหตุปัจจัยทั้งมากมายเราพ่อเป็นแม่ก็ทำได้แต่เหตุที่ดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการทั้งจิตไว้ผิดคือการที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิผลมันจึงได้เกิดเป็นทุกข์นะผลมาจากเหตุนะผลมาจากเหตุ การปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดในช่วงต้นก็คือการตั้งจิตเอาไว้ให้ถูกที่เมื่อตั้งจิตเอาไว้ผิดแม้ปฏิบัติก็ทุกแล้วคนก็ทำกันจะทำเท่าไหร่มันก็กทุกทฤษฎีรู้หมด ออกเป็นตัวไม่ใช่โดยเจตนาของแม่ไก่ในวงเล็บเหมือนอาสวะสิ้นเองเมื่อปฏิบัติชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอนเธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋นอจิตของเราจึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเธอดังนี้จิตของเธอนั้น ก็อย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานได้เป็นแน่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าเธอมีการเจริญสติปัฏฐานสสัมมาปัฏานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าภะละห้าโภชมเจ็ดอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนฟองไข่แฟองสิบฟอง หรือ12ฟองอันแม่ไก่กบดีแล้วพริกให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋นอลูกไก่ของเราจงทำลายกระเป๋อฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะ ง, ง่อยปากออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเป๋อด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะ ง, ง่อยปาก ออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้ฉันใดก็ฉันนั้นแม่ไก่กบไข่ไม่ต้องเจตนาว่าลูกไก่จะออกเมื่อไรทำเหตุไปเถอะกกไปให้ดีก็แล้วกันกบไปให้ดีถึงเวลาลูกไก่จะออกออกเองไม่ได้ออกตามใจของแม่ไก่ เจตนาทั้งหลายหรือความคาดหวังทั้งหลายมันก่อขึ้นในใจของคนคนนั้นเท่านั้นเองเรามาดูภาพจริงๆแม่ไก่กำลังกอกไข่ลูกไก่ก็อยู่ในไข่เกี่ยวอะไรกับใจของแม่ที่กำลังกอกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะผมพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยต่อให้แม่โอ้ยแปะไหลลูกจะออกมาสักที แล้วก็นั่งก่าไข่ไปก็กังวลไปออกมาตัวจะสีดํำไหมหรือจะตัวสีเหลืองอยากให้ตัวสีเหลืองจังออกมาไม่อยากให้พิการเลยการที่ลูกไข่จะลูกไก่จะพิการหรือไม่พิการตอนนี้เขาอยู่ในไข่ที่กําลังถูกกบเกี่ยวอะไรกับใจของแม่ที่กังวลไม่เกี่ยวเลยแม่ไก่มีหน้าที่อย่างเดียวคือกบให้ดี ส่วนผลจะออกมายังไงออกวันไหนพิการไหมเกินความเกิน <c oughs> เกินอะไรอ่ะเกินหน้าที่เกินหน้าที่หน้าที่ทำได้แค่เนี้ยเกินหน้าที่แล้วอยากได้แม่จา์อยากก็ ป, กปลอบเ่าถ้าอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าอยากอ่ะแต่ภาษามันไม่มีไม่รู้จะใช้ภาษาอะไร ในภาหารก็ท่านผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไระอหลวงพ่ออยากฉันเนี่ยแต่มันไม่มีภาษาอยากที่มันไม่มีตันหาอยากที่ไม่มียึดมั่นถือมั่นเนี่ยภาษาในโลกไม่มีไม่ได้บัญญัติเอาไว้บัญญัติเอาไว้ให้ให้คนทั่วๆวไปคือพบมีอยากเมื่อมีตันหามีอยากก็มีทุกข์แต่มันมีอยากที่มันไม่มีตันหามีอยากที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ก็ใช้คำเดียวกันแต่ไปดันคนละทางเลยเพราะฉะนั้นถ้าลูกแม่ไก่กกไข่ไม่ต้องเจตนาว่าแม่กับลูกกันจะออกเมื่อไหร่ทำหน้าที่ดีที่สุดถึงวันออกข้ อ, อท่านขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่ต้องอยากถึงขับไปให้ดีกนแล้วกันมันถึงมนเอง ถึงเหมือนเองฟังดูง่ายนะถ้าใครทำได้ก็ก็พ้นไปเยอะเพราะว่าคนมีแต่เจตนาแค่จะเดินจากตรงนี้ไปห้องน้ำเนี่ยกำลังปวดฉี่เนี่ยอย่าเจตนานะเดินไปทีละ ก, ก้าวมันถึงเองมีคนที่เขากำลังรีบทำงาน เขามาถามผมว่าจานเนี่ยทำอยู่คนเดียวทำมันงานมันไม่เสร็จทำไม่ทันใจมันร้อนแป่นคนก็เพราะฝึกผิดมันฝึกผิดคือผมบอกว่ารีบเท่าไหร่ก็ได้นะทำอยู่คนเดียวน่ะรีบทำ แต่มันจะไม่ร้อนใจอาการข้างนอกรีบเหมือนทุกคนแต่ข้างในมันจะไม่ร้อนมันจะสงบเย็นทีนี้ถ้าท่านไม่ได้ตั้งจิตเอาไว้อย่างนี้แล้วเห็นการกระทำเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่มีผลต่อใจเนี่ยท่านทำอะไรมันใจมันก็ไปด้วยมันก่อเจตนาทุกอย่างไปด้วยมันก็เลยก่อผลเป็นทุกข์มาตลอดมีคนที่เขารีบทำ ทำให้เสร็จเสร็จ็จ็จแล้วจบแล้วดับเลยเขาไม่มีความร้อนใจค้างใจเสร็เสิ้นที่โอ้โหฉันแมะทําได้ขนาดไม่มีพวกนี้ตัวตนทั้งนั้นทำไปก็มีตัวตนค้างหมดอุ้ยเราทําได้เสร็จโอ้ยทําไม่ทันเลยความบีบคั้นทั้งหลายนั่นตัวตนทั้งนั้นมันกดเอาไว้ที่ตัวตนหมดเพรนั้นฝึกมันต้องฝึกให้ถูกนะมีส e ัมมาทิฏฐิตั้งแต่ต้น ถ้ามีสัมมาทิฏฐิอย่างที่พรธเจ้าตรัสแม่ไก่กกไข่ขก็กกไปดีกกให้ดีก็แล้วกันลูกไก่มันจะออกหรือไม่ออกนั้นที่นี่การใช้ชีวิตสมมติว่ามีคนคนนึ่งทาดีกับอีกคนหนึ่งก็หวังว่าเขาจะดีตอบหวังว่าเขาจะรักตอบพอเขาไม่รักตอบเขาไม่ดีตอบ ก, ก็มานั่งทุกข์ใจเสียใจอกหัก คนนี้มันหวังผลทั้งนั้นมันหวังผลก็ทุกขกันทีเมื่อกลายเป็นสมุทัยหมดพอเป็นสมุทัยก็มีแต่ทุกข์มีแต่ตัณหามีเมื่อดที่ทําดีแบบให้ในส่วนเดียวถ้ารักกันจริงก็ทําแค่ให้โดยส่วนเดียวเขาดีก็ดีแล้วแล้วถ้าเขาไปชอบคนอื่นเขาไปชอบคนอื่นเอา้าพอเขาไปชอบคนอื่นก็ดีแล้วแต่แสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเรา อืนเขาต้องมาชอบเราก็ทุกตายก็เข้าไปชอบคนอื่นเขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วหรือเขาไม่สุขก็เรื่องของเขาก็ทำแค่ดีที่สุดทำแล้วให้พ่อแม่เหมือนกันปากบอกใจบอกว่ารักลูกให้โดยส่วนเดียวให้ในส่วนเดียวที่ไหนอะในใจยึด ทุกอย่างลูกต้องเป็นอย่างนั้นลูกต้องได้อย่างนี้ลูกต้องมีอาชีพนั้นลูกต้องเรียนต่อไอ้นี่คือล็อกเอาไว้หมดผมได้ฟังคําลูกพูดแล้วผมพ่อแม่อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนี้เรียนอย่างนี้ทุกคนเลยทุกบ้านเลยวาดฝันวาดแผนเอาไว้ทั้งหมดลูกจะต้องเรียนอะไรแบบไหนจบมาแล้วมีงานการที่ดีเหมือนเหมือนพ่อแม่ผมบอกถ้าเหมือนพ่อแม่ะทุกตาย ถ้เหมือนพ่อแม่ทุกตายลูกบางคนตั้งใจเรียนหมอเพื่อให้พ่อแม่ได้มีความสุขแต่หลังจากนั้นออกไปเป็นนักดนตรีเลยลูกบอกว่าทาตามใจพ่อแม่แล้วเรียนจบให้แล้วถึงเวลาที่เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาต้องการลูกเนี่ยใจประเสริฐกว่าพ่อแม่พ่อแม่เห็นแก่ตัวสุ ด, สด อยากให้คนอื่นเป็นไปให้เหมือนดังใจเราอยากให้บังคับให้ลูกเป็นให้เหมือนดังใจเราลูกเนี่ยจิตประเสริฐ จ, จริงๆยอมเรียนทุกอย่างทั้งๆ ท, ท, ที่กั้ำกลืนฝืนทนทนเรียนให้พ่อแม่มีความสุขอย่างที่ปรารถนาหลังจากนั้นจบแล้วทำเสร็จแล้วพอแล้วเขาขอใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการปะ จิตใจใครเหนือกว่าใครระหว่างพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ยอมทําเพื่อใครบ้างไหมที่จะยอมฝืนใจทําเพื่อให้คนอื่นได้มีความสุขเคยทําบ้างไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาดูดีๆทุกคนมีแต่เห็นแก่ตัวทุกคนมีแต่ทําแล้วจะเอาไม่มีใครทําให้จริงๆเลย ท ำ, ทำอะไรก็มีแต่จะเอาทำอะไรก็มีแต่จะเอาแอบเอาข้างในก็เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่มามันเป็นผลที่เป็นเหตุมาจากตัวตนทั้งนั้นเลยปฏิบัติธรรมก็จะเอาพระโสดาบันไ ม, ม่ใครก็เอาพระโสดาบันเยอะแยะไปหมดเลยมาปฏิบัติธรรมนี่ปรารถนาจะได้พระโสดาบันไม่มีทางมันผิดตั้งแต่ตั้งจิตไวแล้วแล้วมันจะเจอได้อย่างไง เขายังไม่รู้เลยว่าอะไรคือพระโสดาบันพูะเจ้าตัดเรียกผู้ที่ถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยอผมขอเนี่ยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วกันคนระับผมไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระโสดาบันนะแต่ผมจะให้เห็นวิธีการคิดของคนและ ว, วิธีที่จริงๆที่เกิดขึ้น ตูนบอดี้แลมมีความปรารถนามีความต้องการที่จะหาเงินให้กับโรงพยาบาลโดยใช้ตัวเองเข้าแลกโดยการวิ่งนะเขาตั้งหน้าตั้งตาวิ่งจะเจ็บจะป่วยจะบาดเจ็บเขาอดทนวิ่งอาจจะมีเป้าตั้งไว้เจ็ดร้อยล้านแต่สุดท้ายเขาไม่ได้สนใจเป้าแต่ลักก้าว ของเขาที่บอกว่าก้าวทีละก้าอะไรของเขาเนี่ยแ่ะแต่ละก้าวเดินต่างหากและที่มันสำคัญเป้าหมายจะถึงหรือไม่ถึงมันอยู่ที่แต่ละก้าวถ้าขามันพิกเอ็นมันขาดก่อนเนี่ยก็จบแค่งานนั้นมันขาดตรงไหนก็เลิกตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือการทำเหตุเข้าใจไม่นี่คือการทำเหตุส่วนผลเนี่ยควบคุมไม่ได้ ออกวกพันสองพันสามร้อยพันสี่รอยล้านผมก็ไม่รู้ล่ะแต่นั่นคือผลซึ่งทีนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งจิตตั้งตั้งเป้าไว้ผิดแต่ผิดในทางที่มากกว่าเพราะฉะนั้นผลมันควบคุมไม่ได้หรือว่ามีอาจจะมีคนใส่แค่ร้อยล้านก็ควบคุมไม่ได้็ทําทำได้ก็คือเดินทีละเก้าเพราะฉะนั้นมันทำได้แต่เหตุแล้วก็ทำให้ดีที่สุดของความตั้งใจของแต่ละคนเรื่องมันมีแค่นี้เอง ผลมันควบคุมไม่ได้ผลมันมาจากเหตุทำเหตุให้ถึงผลมาถึงไหมก็ถึงก็วิ่งถึงถึงก็จบได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทีนี้ก็มีคนบอกโอ้พี่ตูนเป็นคนดีจริงๆพี่ตูนออกมาวิ่งไม่ใช่เพื่อความเป็นคนดีไม่เคยออกมาวิ่งเพื่อความเป็นคนดีเขาแสดงความ อ, อ่อนน้อมถ่ อ, อถมตนตลอดทางอย่างที่เราเห็น มีคนสรรเสริญว่าพี่ตูลเป็นคนดีอ่อนน้อม่อมตนชื่อเหล่านั้นถูกตั้งขึ้นมาเพราะการกระทำของเขาแล้วสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้เห็นเขาไม่ได้สนใจคำคำนี้เลยคำว่าคนดีเนี่ยการกระทำของเขาเป็นเพียงทำให้จบตามที่เขาปรารถนานะความเป็นคนดีมีคนมาใส่ให้ เมื่อ <Me an> ใครก็ตามปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความจริงว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจนกระทั่งเห็นรู้แจ้งขึ้นมาไม่ใช่แค่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราเอากายนี้ไม่ใช่บุคคลเราเขานะกายใจนี้ไม่ใช่บุคคลเราเขาคนเข้าใจผิดนึกว่าปฏิบัติไปพอเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่บุคคลเราเขาก็นึกว่าจะพ้นทุกข์เปล่าเลยลำดับการพ้นทุกข์ยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เอาสติสมาธิมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เดินไนจนเห็นว่าโอ้เห็นเห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่ปุคคนเราเขาเนี่ยนะแล้วก็นึนกว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีถึงหรอกเพราะมันตั้งตัวตนขึ้นมาก่อนว่าเราเป็นอะไรขึ้นไปแล้วพระโสดาบันคือละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนถ้ารู้สึกว่าเราเป็นแล้วมื่อไหร่มันจะสวดมันก็สวนทางกันสิ ปฏิบัติแค่นี้ก็สวนทางแล้วดังนั้นถ้าพี่ตูนไปอยากเป็นคนดีตั้งแต่ต้นเนี่ยรับรองว่าการกระทําของเขาจะแข็งตะด้า ง, างนี่หมดนนี้ยิ่งไปวิ่งไปทางไหนก็รู้สึกว่าโอ้เรากแบบมีคนศรัทธามากมายกลางขึ้นมาเลยทีนี้มันจะพุ่งลงเลยนะจากเลติ้งที่กําลังขึ้นเมันจะพุ่งลงเลยเพราะมันมีแต่ตัวตน พอมีแต่ตัวตนปั๊บคนจะไม่เรียกเขาว่าเป็นคนดีอีกแล้วคนจะไม่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอีกแล้วคนตั้งชื่อนั้นขึ้นมาเพราะการที่เขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เขาไปอยากเป็นอย่างนั้นวันนี้มันกลับข้ามกันหมดถ้าปฏิบัติธรรมแล้วอยากเป็นพระโสดาบันคืออยากเป็นสิ่งที่เขาตั้งชื่อขึ้นมาเฉยๆนะพระเจ้าตรัสเรียกผู้ที่พ้นทุกข์แล้ว ผู้ที่เข้าใจในระดับต้นแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าเป็นพระโสดาบันซึ่งคำว่าพระโสดาบันเป็นของลอยๆเหมือนมีคนเรียกว่าพี่ตูนเป็นคนดีแค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่มีอะไรไว้ให้ใครเป็นถ้าเมื่อไหร่จะไปเป็นอย่างเช่นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีของประเทศไหนก็ได้เมื่อการกระทาตามหน้าที่แบบนั้นแบบนั้นบาบัดทุกบารุงสุข ทำให้เอประเทศน่ะทำงานให้ประเทศอย่างเนี้ยผู้ที่ทําหน้าที่เนี้ยเขามีชื่อเรียกว่านายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีแต่ทีนี้มีคนอยากไปเป็นนายกรัฐมนตรีอยากไปเป็นรัฐมนตรีมันก็จึงทําทุกอย่างเพื่ออยากไปเป็นแต่บางคนก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีอันอาจจะมี อ, อันั้นมาเป็นหน้าตามชื่อแต่งตั้งยกอยากยกยากเหมือนกันนะ เอาพี่ตูนนะครับไปที่เดิมนี่กว่าเพราะอะไนมันต้องแต่งตั้งมันต้องเลือกตั้งมันต้องแต่งตั้งแต่อย่างพี่ตูนนี่ไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องแต่งตั้งทำไปเนี่ยลอยมาจากฟากฟ้ า, ฟามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้เรียกคนแบบนั้นที่สามารถพ้นทุกข์ไปได้ที่สามารถพ้นทุกข์ไปไ ด, าาไปได้ไม่ใช่ปฏิบัติวันนี้นะเนื่องจากเราอยู่ในสังคมในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ย สังคมในยุคนี้เนี่ยมันทําทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือขึ้นมาตั้งแต่เด็กจนมาถึงทํางานบริษัทจนกระทั่งอยู่ในครอบครัวจนกระทั่งสังคมต่อล้อมความเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเกมเราใช้ชีวิตเหมือนเกมถ้าเราจะทําอะไรเราต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเราจะศึกษาอะไรมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าก มันจะกลายเป็นสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จสูตรสเร็จไปหมดในชีวิตถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้แบบนี้เราทำแบบนี้เราจะได้แบบนี้เพราะมีคนทำมาก่อนแล้วก็กลายเป็นรูปแบบขึ้นมาการปฏิบัติทําไม่ใช่รูปแบบมีเส้นทางเดินคืออริยมรรคในองแปดแต่ไม่ใช่ศาสตร์ที่ออกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีความผสมผสานกันระหว่างศาสตร์และศิลเพราะมันคือชีวิตถ้ามีคนว่าท่านท่านโกรธไหมโกรธ ผมรับรองได้เลยจะว่าท่านว่าครอบครัวท่านว่าลูกท่านว่าแฟนท่านว่าบริษัทของท่านท่านโกรธหมดทุกคนในโลกเป็นเหมือนกันการจะพ้นจากความโกรธที่มีคนด่าเราด่าครอบครัวเราด่าพ่อแม่เราด่าบริษัทเราด่าประเทศเราฝรั่งมายืนด่าประเทศเราโคมุโคมข้างถนนเนี่ยท่านโกรธนะี ท่านคิดว่าการจะพ้นจากความโกรธง่ายไหมผมไม่ง่ายโอ้ยไม่ยากหรออาจารย์ไม่ต้องมากหรือแค่ลืมปิดโทรศัพท์ตอนนี้สักคนกรี้งขึ้นมาเนี่ยใจว่ากขึ้นมาเลยโกรธโอ้โห ฉะนั้นถ้ายืนด่าเราเนี่ยด่าพ่อแม่เราด่าลูกเราด่าครอบครัวเราเนี่ยรับรองโกรธน่การจะออกจากโกรดนี้ทําไหมีสติเอาไหมลองไหมให้มีสติเอาไว้รู้ลมไว้แล้วให้เขยืนด่าทํานว่าท่าโกรธไหมโกรธแล้วท า, ไ ม, าวทไมมีสติยังโกรธ แล้วทาไมมีสติยังโกรธก็มันดามหมแต่ท่านก็รู้แล้วท่านโกรธมาอย่างเนี้ยจนฝังรากลึกจนเป็นนิสัยการจะออกจากนิสัยนี้เนี่ยไม่ง่าย ถ้าผมบอกว่าท่านจะต้องเปลี่ยนความเคยชินนี้ใหม่จากการที่มีคนมาดา่าแล้วท่านเห็นความจริงด่าแล้วเห็นความจริงด่าแล้วเห็นความจริงด่าแล้วเห็นความจริงไปเรื่อยๆความจริงอะไร ความจริงความจริงในสติประฐานสี่ในเบื้องต้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาดูกันนะว่าคนด่าแล้วโกรธได้ไหมพอคนด่าปั้งโกรธละ ท่านเห็นแค่นี้ผมจะเบรกดาวแล้วหยุดแล้วมาเบรกดาวเป็นขณะคือมาดูกันทีละตอนเลยถอยหลังก็ได้เอาตอนที่มันเกิดแล้วเนี่ยความโกรธเกิดแล้วความโกรธเกิดแล้วผลผลิตของมันเกิดแล้วผลมาแล้วเป็นมาหยุดดูท่านคิดว่าผลเนี่ยที่เป็นอารมณ์ เกิดขึ้นแล้วดับไปไหยดับแน่ท่านเคยถูกดา่าเจอถูกนินทา ม, มาแล้วถูกไหมในอดีตตอนนี้ยังอยู่ไหมอุ้ยไม่รู้หายไปเมื่อไหร่ลืมไปแล้วถูกแล้วแสดงว่าของเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่มีเหลือสักอันเกิดแล้วดับทั้งหมดไม่มีค้างอยู่ทาวนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามเข้าไปเห็นความจริงนี้ ข้อที่หนึ่งคืออารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปในที่สุดจะชา้าจะเร็วจะวินาทีเดียวหรือจะกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่งโง่มีคำเดียวที่ก็เป็นปัจจัยคือแล้วแต่งโง่งโง่มากยึดมากตัวตนมากทุกนานมีแค่นี้ถ้าไม่งโง่อ่อยไวเห็นความจริงเร็วดับเร็วปัจจัยมีแค่นี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าฉันโกรธฉันยอมไม่ได้หรอกไอ้นี่ตัวตนจัดเซลล์จัดโง่จัดเตรียมลงนรกไปได้พูดแค่เนี้ยอ้าวโอ้ฉันนึกว่าฉันดีมากเลยเนี่ยฉันเซลล์ฉันตัวนั่นแหละโง่จัดมีนรกเป็นที่หมายไม่ต้องห่วงสัตว์นรกด้วยลงไปต่ำตํำๆเลยไปต่ําได้เข็ดแล้วค่อยกลับขึ้นมาใหม่ถ้ามีโอกาส เพราะฉะนั้นตัวตนมากเซลล์จัดยึดเหนียวแน่นพวกนี้ทุกนานหมดพวกเห็นความจริงพัวแค่ของเกิดดับวางคล้วดดับเอาแล้วนะข้อที่หนึ่งเห็นแล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาเห็นแล้วว่าเสียงทั้งหลายอันกระทบเข้ามาเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดา เห็นแล้วว่าหูมีการรับเสียงเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาผัสสะทั้งหลายกระทบเข้ามาแล้วดับไปเป็นธรรมดาต้นเหตุของมันทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาทั้งหมดจึงเกิดเป็นอารมณ์ถ้าเห็นไวกว่านั้นอารมณ์จะไม่เกิด หรือว่าเมื่อเกิดอารมณ์แล้วเคยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหูก็ดีทั้งเสียงก็ดีทั้งผัสสะก็ดีทั้งวิญญาณก็ดีเอาล่ะแต่ผมยังไม่อยากพูดถึงนะเดี๋ยวมันจะยิ่งลึ <c oughs> ความแปรปรวนหรือความเป็นอนิจจังของอารมณ์เนี่ยเป็นผลมาจากเหตุซึ่งเหตุของมันล้วนเป็นความแปรปรวนเป็นอนิจจังทั้งสิน้นหูก็ดีเสียงก็ดี ผัสสะก็ดีวิญญาณก็ดีทั้งหลายเนี่ยมีแต่ของที่แปรปลุนเกิดดับทั้งหมดเลยผลอันเกิดจากของที่เกิดดับมันจะอยู่ได้ยังไงเพรามันก็สลายไปนในที่สุดถ้าเกิดความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วถอดถอนอย่างนี้ได้สภาพการกระทบทั้งหมดต่อให้มันยืนดาให้คอแตกเลยให้ยืนดาให้คอแตกเลยไม่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เลย ให้ตั้งใจฟังเดี๋ยวๆนะสมมติว่าคนเราัปยืนด่าเนี่ยแป๊บนั่งนั่งจนั่งนะนั่งกันนะเพราะมันอาจจะยังอีกนานนัเอาเลยโทษ น, นะไ ม, ไม่ได้ม่ได้กะจะขัดจังหวะเอาเลยไหนผมอยากจะฟังว่าผมเสียตรงไหนบ้างเอาเลยดาใ้ถึงแม่ผมเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้แม่อยู่บนวิวแชร์เอาให้ถึงเลยว่ามาอ่ะทําไมไม่ด่าละ่ะ มันจะสลายไปทั้งหมดพระเจ้าบอกว่าพระโสดาบันเป็นผู้เห็นอินทรีย์หกหูก็เกิดดับเสียงก็เกิดดับเสียงเป็นอยนายตนะภายนอกนะไม่ได้เกี่ยวกับอินทรีย์หกในบทนี้มีแต่ของเกิดดับที่ไม่ได้ไม่ใช่ปุกคลเราเขาไม่ใช่เราปฏิบัติไปท่านก็จะเห็นได้อย่างนี้มีแต่ของเกิดดับ ที่มันเป็นสภาพว่างจะกตัวตนแล้วใครจะไปยึดอะไรกับไอ้ของพวกนี้ด่าไปให้เหนื่อยผมก็ไม่ได้อยากให้เขาเหนื่อยหรอกถ้าจะด่าผมด่าไปให้ให้ให้พอใจก็แล้วกันจบแล้วจะได้เอานะถ้าจะอธิบายอธิบายเขาฟังถ้าเขายังโกรธอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าอธิบายเลยเพราะว่ายิ่งอธิบายก็ยิ่งโกรธ พอตัวก่อนที่กว่านะจะได้ไปทำอย่างอื่นใครจะโกรธล้วต้องไมว่าจะเป็นคนดีสักปันไม่มีไมมีถ้าอย่างนี้มีแต่ตัวตนถ้าอย่างนี้ทนไม่ได้เดี๋ยวก็ระเบิดใส่กันถ้ายาี้แป๊บเดียวกูจะเป็นคนดีหน่อยไม่มีถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็เละ ใ, aces, ใครจะชมใครจะด่ามันเป็นเรื่องของในใจของเขาต่างหากก็เราก็เห really ็นอยู่แล้วก็เห็นใจของเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็เอานู่นเข้ามาใส่ใจเดี๋ยวเราก็นี่มาใส่ใจแล้วก็ปรุงใจของเราขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นเขาก็แบบเดียวกันอ่ะขณะที่เขายังไม่รู้เนี่ยเขายังไม่รู้ทำเขาก็ปรุงใจเขาขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยร้อยคนพันคนมืกับปรุงใจของตัวเองขึ้นมาพอปรุงขึ้นมามากๆเราทนไม่ไหวเราก็ว่าเขาไปเหมือนกันเราทนอะไรไม่ไหวเราก็ด่ามาทั้งปากเหมือนกัน เขาก็เหมือนกันเขาอาจจะอึดอัดกับการกระทําของเราที่เราทําอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ด่าวมาก็แสดงว่าใจของเขาเนี่ยมันอัดแน่นถ้ามันไม่ระบายออกมามันก็จะแตกจะออกทั้งอกก็เดหรือว่าจะออกทางรูไหนสักรูรูทางปากเนี่ยมันกว้างหน่อยนะจะออกจมูกมันก็ก็ไม่ใช่ออกมามันก็ผิดรูผิดรูมันก็จะหอยกลับมันก็ออกใหม่ออกรูใหม่จะออกหูกับบางทีถ้ากลนก็ออกหูเหมือนกัน แต่ออกมันก็ไม่ใช่รู้มันม huh. ันก็มองออกทางปากดีกว่าออกทางปากมันมีเสียงแต่ก็ไม่ใช่เอาแต่เสียงเราถ้าออกทางอื่นมันก็มีเสียงด้วยเอาเสียงที่ควบคุมได้ไม่ใช่เป็นเสียงแตรเสียงที่ควบคุมได้หน่อยออกมาเป็นคำพอออกมาเป็นคําถ้าคนที่เห็นแต่ของที่มันมีแต่ของปรุงแต่งคอก็เห็นแต่ใจของเขาที่มันเดือดร้อนอ่ะแต่ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรคนนะถ้าเป็นอะไรไปว่าเขาเออเห็นแต่นี่มันมีแต่กีเลศ ถ้ า, างั้นะเร า, ากิเลกก่อนเพราะฉะนั้นลักษณะการปฏิบัติของคนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอชอ่านเถอะคน ม, นมีกิเลสมันก็ไม่มนเงี้ยมันดา่าอย่างเงี้ยพระเจ้าตรบอกว่าอาโน์เธอจงอย่าเป็นผู้ประมาณในผู้อื่นเพราะถ้าเธอประมาณในผู้อื่นคุณวิเศษในตัวองเธอจะหายไปขณะที่มีคนว่าเราเราก็นึกในใจว่าไอ้นิมเป็นอย่างนี้ถูกเ อ, อ้ยมันเึ็นกิ เรานะั่นแหะคนแรกที่มีแต่ตัวตนมีแต่กิเลสก่อนเราถึงว่าคนอื่นสมมติมีคนด่าผมถ้าผมพูดคุณอย่าด่าเลยนะถ้าผมพูดมันโทรพท์มันเป็นเรื่องกิเลสร้อนใจนะมันเป็นเรื่องทําให้ร้อนใจเอาล่ะถ้าผมพูดแค่นี้จบคุณจะด่าผมเลยนะเพราะคุณอาจจะบาป การด่าผมเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ถ้าคุณด่าอย่างเงี้ยคุณะจะสร้างกรรมคุณจะบาปท้ายางี้คนแรกอ่ะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์นั่นแหละชําระตัวตนก่อนดีไหมนะจะไม่มีคํานี้ในอริยบุคคลผมบอกให้เลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่มีใครพูดคํานี้ถ้าเขาชาระตัวตนแล้ว เขาจะพูดทําอย่างเดียวหลังจากนั้นเขาจะไม่พูดอะไรอีกเลยถ้าเห็นว่าไม่ประโยชน์จะไม่พูดแต่เมื่อไหร่มันดันมากระแทกกันเมื่อ น, นั้นละมันจะปิ้นออกเพราะถ้ามีตัวอยู่มันจะกระแทกเข้ามาแล้วมันจะโดนตัวก่อนแล้วตัวจะระบายออกทางรูใหญ่เนี่ยลมมันม่รู้จะออกทางไหนมันต้องออกทางรูนี้เพื่อปรับเป็นเสียง คนที่เขาเข้าใจความจริงเนี่ยหรือเห็นความจริงเนี่ยนะจะเสียงอะไรมากระทบเนี่ยยิ่งท่านยิ่งถ้าตัวเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยนะเอาเถอะเขาจะพูดอะไรก็พูดไปดินะจะเป็นควบคุมปากคนได้ยังไงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วยิ่งโลกโซเชียลอย่างเงี้ยมัดนด่าเขาไปดิเขาอึดอาดเขาก็ด่าเขาใไปนะ่ะ บอกเขาเข้าใจมันก็อย่างนั้นก็ไดาไปเถอะถ้าวันไหนเขาเข้าใจได้เขาก็คงเข้าใจเองนะถ้าเขาไม่มีโอกาสจะเข้าใจก็ก็ไม่ได้เป็นไรนะก็แต่ละคนมันก็เข้าใจได้บ้างเข้าใจไม่ได้บ้างมาเข้าคอร์สใหม่จะเข้าใจตัเมื่อไหร่ออกไปก็ยังเห็นผิดเยื่อะไรอยู่ก็เยอะแยะมากมายเขาไม่ใช่เข้าคอร์สเจ็ดวันเป็นผ้าละหันตั้เมื่อไหร่ทุกคนก็ต้องภาวนากันไป เพรนการเปลี่ยนความเห็นผิดเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่มันไม่จะเปลี่ยนเปนไ ม, ไ, มไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งจิตเอาไว้ให้ถูกก่อนคือการทําเหตุการทําเหตุแม่ไก่กกไข่ลูกจะออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วถ้าออกมาพิการละอาจารย์แล้วยังไงอ่ะ <c oughs> แล้วอยังไง คือถ้าออกมาพิการแล้วที่ไหนก็เลี้ยงไปดิโอ้โหอย่างนี้แล้วยังไงคือไม่เข้าใจแล้วคุณจะทำไหมคุณโกกดีที่สุดได้ยังถ้าถ้าผมถามแม่ไก่ก็โกกดีที่สุดแล้วอะ่ะแล้วยังไงก็ผลมันก็ออกมาอย่างนี้ก็คือยอมรับความจริงแค่นั้นเองมันจะไปคิดอะไรอ่ะ หรือถ้ามีคนไปบนบานสารกล่าวก่อนก่อนที่มันจะคลอดแล้วจะเปลี่ยนเหตุหรือจะเพิ่มเหตุทำให้ผลเปลี่ยนลูกไก่ก็อยู่ลูกไก่แม่ไก่ก็อยู่แม่ไก่ก็กบให้ดีแม่ไก่กังวลใจก็เลยไปบนขอให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่คนก็ทํากันพวกเราก็คงทากันด้วยเห็นเหมยังว่าเรือรังฟังทก็ดูเหมือนเข้าใจแต่พอเอาเข้าจริงจิตมันไร้ที่พึ่ง จิตมันมีที่พึ่งท่านไม่เคยทําอย่างที่พูดเลยพุทธังสารนังขจฉามิทำบางสารนังขจฉามิสัมพังสารนังขจฉามิท่านไม่เคยทําได้ทําไมพระเจา้าถึงบอกว่าผู้ที่ถึงความเป็นพระโสดาบันจะมีพุทธังสารนังขจฉามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระอันอย่างลงมั่นอันอย่างลงมั่นเลยนะถ้าใช้คานี้นะไม่ใช่แบบคนธรรมดาอันอย่างลงมั่นเพราะ เขาไม่มีทางเป๋ไปทาอื่นอีกเลยเขาไม่มีทางเอาของที่ไม่เป็นสาระเข้ามาเป็นสาระอีกเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำด้วยให้ไปทำก็ไม่ทำเผลอก็ไม่ทำต่อให้สุดเผลอก็ยังไม่ทำเลยเพราะเห็นแล้วความจริงคืออะไรผลมันมาจากเหตุผลไม่ใช่มาจากการวิงวอนไหวไหวบนอะไรทั้งหลายแหละ ทำให้ดีก็ดีก็ผลก็เป็นแค่นั้นน่ะอะไรเกิดขึ้นก็รับความก็ทําต่อไปเห็นจะมีปัญหาเลยพิการก็พิการน่ารักออกผมไม่เห็นเด็กพิการมันไม่น่ารักตรงไหนผมเห็นพ่อแม่พวกออทิสติกรักลูกยิ่งกว่าลูกดีอีกลูกดีๆเนี่ยก็ปล่อยทิ้งไปลกว้างได้วิ่งเล่นอะไรไปออทิสติกที่ต้องดูแลอย่างดีต้องดูแลอย่างดี ผมเคยคุยกับพ่อแม่ที่เป็นที่ลูกเป็นออทิสติกเนี่ยแล้วก็เขาก็มีลูกสองคนคนนึงก็สมบูรณ์ดีอีกคนนึงก็เป็นออทิสติกสุดท้ายเนี่ยธรรมชาติของแม่เนี่ยหรือธรรมชาติของทุกคนเนี่ยยิ่งเข้าไปดูแลอะไรมากเท่าไหร่ความยึดติดผูกพันจะมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมเข mm. ารักลักลักลักลูกออทิสติกเนี่ยถามว่าถ้าพรุ่งนี้ลูกหายเอาไหมไม่อาอย่างเงี้ยดี ล, ลักลักนะไม่เคยรู้สึกว่าลูกตัวเองพิการเลยมีแต่ตัวเองต้องใส่ความมีเติม attention เข้าไปให้มากมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเป็นอะไรหรอกมันเกี่ยวกับใจตัวเองเกี่ยวกับใจตัวเองลูกเราจะหน้าตาขี้เหล่แค่ไหนก็ตามแต่หน้ารักของเรานะ น่ารักของพ่อแม่คนนั้นทุกคนถ้ามีการคุยนะลูก ห, หน้าตาขี้เห่่ขนาะนี้แต่เชื่อเลยแม่เขารักของเขาเพราะความรักมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอยู่ที่ใจหมดถูกปรุงขึ้นมาที่ใจแต่เพราะความเห็นผิดนี่แหละที่ทำให้ทุกคุณหมอท่านหนึ่งนะไปรักษาผมเมื่อประมาณสักองค อ, คอสที่แล้ว ก็บอกว่าท่านได้ข่าวจากเว็บส่วนยินดีว่าอาจารย์ไม่สบายเพื่อนๆนหมอก็เลยมอบภาระนี้ให้เขาคือหมอเนมีเพื่อนเป็นหมอแล้วหมอก็เข้าส่วนก็เข้ามาปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งก็ฟัง YouTube บ้างอะไรบ้างแล้วก็แชร์กันไปผมก็ไม่เคยรู้นะตอนหลังเนี่ยผมเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่า หมอเข้ามาฟังทำกันเยอะมากเพราะตอนนี้ที่เจอก็หมอทั้งนั้นเลยนามสกุลท่านก็ใหญ่โตอ่ะใหญ่โตขนาดถ้าผมพูดนามสกุลเนี่ยก็ระดับนาสกุลของนายกของประเทศเนี้ยนะหมอก็แวะเข้าไปหาผมที่คอสแล้วก็นั่งคุยคุยถามถ่ายอาการแล้วก็บอกว่า หมอเนี่ยรับรับหน้าที่จากเพื่อนๆนมอบหมายให้เธอมาดูรักษาอาจารย์หน่อยจิใหอยู่โรงพยาบาลมุงราชแล้วหมอก็เลยขอเอาที่ฟังตรวจตวหลังจากคุยกับผมแล้วก็จิ้มจิ้มไปเรื่อยๆหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกๆไปเรื่อยๆจิ้มที่คอด้วยก่อนที่หมอจะพูดอะไร ผมก็บอกว่าหมอระหว่างที่หมอซักถามผมแล้วผมบอกไปเนี่ยจากนั้นหมอก็ขอเอาหูฟังเนี่ยฟังที่ต่างๆของผมไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าผมคอยเยิมหูฟังคุณหมอมาฟังใครเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องเลยว่าฟังอะไรผมนึกไม่ออกเลยซ้ำว่าหมอได้ยินอะไรหมออะไรนี่ย แต่ระหว่างที่หมอซักถามผมแล้วหมอก็เอาหูฟังฟังเนี่ยหมอเห็นหมดถูกไหมว่าหัวใจของผมทำงานอย่างไงข้างในหัวใจมีอะไรปนอยู่ในเส้นเลือดของผมมีอะไรบ้างเส้นทางเดินของหลอดเลือดทั้งหมดเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งประกอบกับคาที่ผมพูดเนี่ยหมอจะเห็นที่มาที่ไปของมันทั้งหมดขณะที่หมอกำลังแค่จิ้มลงไปแค่นี้เองแต่หมอจะมีภาพทั้งหมดอยู่ในใจถูกไหม หมอบอกว่าใช่หมอรู้ไหมถ้าหมอพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหมอให้ผมฟังสักสามประโยคผมจะเห็นจิตของหมอทั้งหมดว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันจะไปยังไงต่อแบบเดียวกันรู้ไหมเพราะทั้งสองแบบเนี่ยมาจากเรื่องเดียวกันคือประสบการณ์ที่ถูกต้อง พระเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าสมาธินิมิตแล้วผมก็บอกว่าความทุกขน์นะหมอผมแบ่งง่ายๆหยาบๆให้ฟังมีคนทําผิดศีลแล้วก็เป็นทุกข์อย่างเช่นคนคอรัปชันโกงกินจะบ้านเมืองจะบริษัทก็ตาม พอวันไหนมีการตรวจสอบเขาจะเดือดเนื้อร้อนใจภาษาธรรมะเรียกว่าวิปติสารคือความเดือดเนื้อร้อนใจจะเผารนอยู่ในใจจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำผิดศีลไม่ว่าข้อใดก็ตามถ้าทำผิดศีลข้อใดก็ตามวิปติสารจะเกิดขึ้นในใจเผารนนี่จะเป็นเหตุให้ลงนรกคนคนนั้นไม่รู้ตัวเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวขณะที่มันกาลังเผารนทั้งเชา้าทั้งเย็น นอนเมื่อไหร่เป็นคิดถึงเรื่องนี้มันจะเผาอยู่ในใจตลอดเวลาใจของเขาจะถูกเผาตลอดเวลากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟชีวิตของเขาจะไม่มีความสุขเลยคิดนั่งหยุดเมื่อไหร่ก็จะคิดแต่เรื่องนี้ทำอะไรก็จะคิดวนแต่เรื่องทำผิดศีลเรื่องที่ทำผิดศีลจะเผารนอยู่ในใจนี่เป็นความทุกข์ของคนทำผิดศีลแต่มีพ่อแม่ที่เป็นทุกข์ จากการรักลูกจากความรักลูกอยากให้ลูกเป็นไปดั่งใจเมื่อลูกไม่เป็นไปดั่งใจพ่อแม่คนนั้นจะมีความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้มาจากลูกหรอกความทุกข์มาจากพ่อแม่คนนั้นไปสร้างลูกเอาไว้ในใจอีกคนแล้วก็บังคับให้ลูกคนนี้เป็นไปดั่งใจเพราะว่าไปตั้งตุ๊กตาไว้ตัวนในใจของตัวเองลูกคนที่มีชีวิตชีวามีเนื้อมีหนังเนี่ย เขาทําตามความรู้สึก ข, ของเขาซึ่งไม่ตรงกับทุกตาตาที่เราสร้างเอาไว้ในใจเพราะฉะนั้นทุกจึงเกิดขึ้นเพราะลูกสองคนนี้มันไปกันคนละทางท่านต้องการให้ลูกคนนอกเป็นไปอย่างลูกคนในที่ท่านตั้งเอาไว้ทุกนี้ดูเหมือนจะมาจากความรักแต่เพราะความไม่รู้จึงทําให้ทุก เข้าไปยึดถือสิ่งที่ไม่มีตรวตนไม่ยอมรับความจริงของสภาพความเป็นจริงแต่ขับไปอยู่ในโลกของปลอมที่สร้างเอาไว้เองนำมาซึ้นงทุกข์ของทุกคนของพ่อแม่ทุกคนหมอนุ่มฟังผมเสร็จหมอบอกว่าหมอไม่เคยเข้าคอสอาจารย์เลยหมอเคยฟังยูท b e แต่มันนั่งแป๊บเดียวแค่นั้นเองเหมือนอยู่ในคอร์สเลยอาจารย์หมอกำลังทุกข์เรื่องลูกผมก็เลยบอกว่าหมอไปจัดการลูกในใจของหมอแล้วอย่าไปจัดการลูกข้างนอกเลยลูกข้างนอกไม่มีอะไรหรอกปัญหาอยู่ที่ลูกในใจตัวเองดับลูกในใจตัวเองได้เมื่อไหร่จะมีความสุขทั้งลูกข้างนอก แล้วก็ตัวหมอเองไม่งั้นวันนี้ทุกทั้งคู่นะคนไม่เห็นความจริงใช้ชีวิตยังไงก็ทุกใช้ชีวิตยังไงก็ทุกดั่งใจอะ่ะคืออะไรอะ่ะคําว่าดั่งใจอตอนนี้ท่านเริ่มเห็นแล้วว่าทุกทั้งบดมาจากใจที่ตั้งเอาไว้ในอะไรแบบนึง ถ้าท่านกำลังถ้าท่านซักผ้าตาก็ไม่อยากให้ฝนตกถ้าฝนไม่ตกมันจะไปเสริมตัวตนครั้งที่หนึ่งเข้าใจไหมมันจะไปเสริม ต, ตัวตนครั้งที่หนึ่งโชคดีจริงเลยฝนไม่ตกนั่นแปลว่าถ้าอีกครั้งหนึ่งฝนตกท่านจะช้ำสองเท่าถ้ามัน ในวันครั้งแรกในชีวิตที่ท่านซักผ้าแล้วท่านโอ้ยฝนอย่าพังตกนะผพะผมโอ้โหไม่งั้นตายละฝนสักพักซาลงมาเล ย, เยนะมันจะปร่งใจเอาโปร่งใจให้ได้ก่อนนะพอครั้งที่สองขณะที่ท่านซักผ้าเสร็จตากเนี่ยใจท่านพร้อมจะยอมรับนะเพราะมันเคยพลาดแต่ถ้ามันแห้ง ถ้ามันไม่ได้ตกมันอาจจะไปเสริมกำลังเรียกว่าราคานุสัสเกิดความได้ความพอใจขึ้นมาข้างหน้าจะทุกสองเท่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันไม่เคยเห็นความจริงมันจึงไปเติมกำลังของความเคยชินที่เรียกว่ า, า, านุใสนะต่อไปท่านอยากกินอะไรโอ้อาหารนี้น่ากินจังเปิดราคาอย่างเปิดแล้ว เกิดราคาแล้วก็เกิดความอยากก็ตักกินเข้าไปกินปั๊บโอ้โหอร่อยเว้ยคูณสองราคานุสัยปับ๊บเข้าไปเลยขั้งหน้าพอเห็นอย่างนี้น่ากินปั๊บโอ้โทำไมเค็มเนี่ยโทสะเกิดเกิดปฏิคานุสัยปัง้งเข้าไปเลยทีนี้มีทั้งสองตัวละท่านได้สั่งสมความทั้งโกรธแล้วก็ทั้งโลภเข้าไปพร้อมกัน ลงไปในเขาเรียกอนุสัยคือความเคยชินท่านจะเคยชินกับทั้งความโกรธความโลภแล้วแล้วก็จะจัดจ้านขึ้นเรื่อยๆครั้งที่สามสี่ห้าหกเจ็ดจะเริ่มจัดจ้านทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้กลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วสิ่งเหล่านี้กลายเป็นชีวิตของทุกคนผมถึงบอกว่าถ้ามีคนยืนด่าท่านโกรธเนี่ยท่านจะทํำยังไงท่านนึกทางออกไม่ออกด้วยซ้ำว่าท่านจะหายโกรธได้ไหมเอามีสติดีรู้ลมดี หลายคนมาบอกผมว่ารู้ลงอย่างที่อาจารย์บอกแล้วไม่มันหายเลยอันนี้มันซึมลึกแล้วมันเหมือนคราบเปื้อนที่เปื้อนลงบนบนผ้าแล้วก็ซึมเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นผ้าย้อมไปแล้วจะซักให้กลับมาขาวเหมือนวันแรกคงไม่ยากแแต่มันไม่ใช่ทาไม่ได้แต่มันคือต้องฝืนความเคยชินนั้นขึ้นมาให้ได้ก่อนมันเป็นการฝืนความเคยชินในทุกอย่าง นั่งปวดทุกข์นั่งปวดทุกข์นั่งปวดทุกข์นี่คือความเคยชินนั่งปวดทุกข์นั่งปวดทุกข์นี่คือเส้นทางของความเคยชินเพราะอยู่บ้านนั่งอย่างนี้แต่อย่างนี้นั่งปวดทุกข์ไหมทุกข์แต่มันอย่างนี้มันทำอย่างนี้ได้พอมันกำลังจะทุกข์ขึ้นในถึงระดับสามแต้ม ันก็มันจะขึ้นเป็นสี่ปฏิกิริยาของจิตไร้สำนึกจะตอบสนองเพื่อหลบอิรียบทจะเป็น ต, ตัวเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ความทุกข์ดันขึ้นไปจนเกินระดับสามมันก็จะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัตินี่จึงเป็นที่มาของคาว่าอิเดียบทบังทุกข์คือสัญญาจะทำงานอยู่ในจุดหนึ่งเมื่อความทุกข์ขึ้นถึงระดับนี้ปั๊บจะเกิดปฏิกิริยาสั่งการลงมาเลยให้เปลี่ยนท่า หรือไม่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําท่านนั่งนั่งแล้วก็เ๋ยก็บิดนั่งนานๆก็บิดเองแล้วก็ทํางานต่อโดยไม่ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ํานอกจากเอากล้องกล้องวงจรปิดถ่ายไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขยับทั้งวันน่ะเพราะมันเมื่อยทั้งวันอะไรก็ตามถ้ามันอยู่นิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดอาการละเพราะร่างกายต้องการการเคลื่อนไหวต้องการการเคลื่อนไหวนี่แหละคือปัญหาละ่ะในเมื่อเส้นทางเดินเนี่ย มันอยู่ด้วยด้วยจิตไร้สํานึกที่มันสั่งการปั๊บปับ ป, บปบทีนี้มานั่งอย่างเงี้ยมานั่งอยู่อย่างเงี้ยขยับได้ไหมละ่ะก็จัดนั่งสมาธิหรือกําลังฟังฟังก็อาจจะยังขยับได้บ้างแต่พอนั่งสมาธิปั้มขยับไม่ได้เลความโกรธไอ้ความความควา ม, ความปวดก็จะค่อยๆหนึงสองสามพอสามปับ๊บมันเคยขยับนะมันเคยขยับหนีขยับหลบอ่าอาจารย์ไม่ให้ขยับเนือ้อ อ้โหนไว้ผมก็บอกอดทนไว้ขึ้นถึงสี่ทีนี้ความที่สามเคยขยับพอสี่ไม่ได้ขยับเนี่ยตันหาจะดันละความทุกข์จะเกิดละมันไม่หยุดแค่สี่นะพอตันหาเกิดความทุกข์เกิดเนี่ยมันจะกลายเป็นห้าหกเจ็ดเลยมันจะเข้าไปเติมกําลังความปวดที่แท้จริงกลายเป็นสองเท่าเลยปวดจริงๆมันไม่เท่าไหร่ไอ้ปวดจากการปรุงแต่งนี่ะที่มันแสบล่ะ มันจะเบิ้ลขึ้นมาเป็นสองเท่าเลยแทนที่จะสามแล้วก็สี่นะสามแล้วมันจะเป็นหกเลยทีนี้มันทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเงยเงยแต่อยากจะขยับให้ได้ละอึดอัดไปหมดละทีนี้มันไม่ใช่ปวดขาแล้วมันปวดใจแล้วมันดันขึ้นมาจนปวดใจแล้วนี่นั่งปวดทุกทุกทุกทุกทุกทุกทกุทีนี้ท่านเริ่มเติมปฏิคานใส ความอึดอัดขัดเครืองขึ้นไปเติดแทนทีนี้ท่านก็จะชินกับความรู้สึกนี้ผมต้งบอกว่าอดทนไว้อดทนไ ว, สสสสนน ว, ว้สู้สู้สู้สู้มีแค่เนี้ยถึงแม้ปวดสู้สูแหสู้ตายเป็นตายอย่าไปยอมขณะที่ท่านกำลังสู้หนึ่ง สัญญาที่เคยจำได้ว่าสามแล้วต้องเปลี่ยนจะค่อยๆรับรู้ใหม่ว่าความปวดในระดับห้าไม่ตายไม่ใช่เรานะไม่ต้องเราคิดนะเขาเรียนรู้เขารับรู้เองเขารับรู้เขาเองขันมีสภาพเรียนรู้ได้อยู่แล้วเพราะเขาอยู่มาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเราเขามีสภาพเรียนรู้ ต, ตลอดเวลาถ้าแค่นี้พอถึงเวลาเป้งแล้วท่านขยับออกได้ แสดงว่าทุกอย่างอยู่ครบแสดงว่าปวดเมื่อกี้ไม่มีผลจากนั้นการเรียนรู้เนี่ยจะซ้ํำก็ไปเรื่อยๆในเจ็วันเนี่ยถ้าท่านมาครั้งแรกนะผมเชื่อว่าตอนนี้มาเรียนรู้มาเยอะแล้วล่ะเพราะหลายท่านก็ปฏิบัติมาเป็นสิบปีแล้วแต่ไม่ไปไม่ถึงไหนไงอนนี้แอบด่าแล้วอาจารย์ <c oughs> มันก็เรียนรู้ได้ทีนี้ไม่ค่อยทุกข์ทรมานกับอาการที่รู้สึกนี้แล้ว นานๆไปก็ไม่ได้เรียกมันเวทนาแล้วเพราะไม่รู้จะตีข้ามว่า อ, อะไรก็กก็็เหมือนกับคันธรรมดาม ก, นะก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเริ่มไม่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะจิตไม่เข้าไปเกาะแล้วเคยชินเหมือนกันแต่เคยชินนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีอะไรนะถ้าเคยชินไปธรรมดาแบบนี้มันไม่เกิดปัญญาอะไรจนกว่าจะเข้าไปเห็นความจริงบ้างนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นได้ หนึ่งคืออยู่ในท่าที่สมควรอยู่ในท่าที่สมควรเมื่อจิตไม่เข้าไปเกาะมากอะท่านมานั่งปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดความตั้งมั่นของจิตมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าผมบอกว่าให้จิตตั้งมั่นเอาไว้นะขณะที่เวทนาเกิดก็เห็ น, นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วกระดับไปพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นไงพอปวดป้าไปกับเขาเลยนะคืออามาลุกจากเก้าอี้เดินไปหาเลยนะ พอปวดปับป๊บอมาม่าลุกเลยไปทำไมลื้อตัวรอกอย่างนี้ยนะไปเลยม่าเมื่อไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความตั้งมั่นเนี่ยมันก็อาศัยองค์ประกอบเหมือนกันทีนี้เมื่อท่านไม่ค่อยไม่คม่อยทุกทรมานกับการเจ็บปวดแล้วเนี่ยจิตจะไม่เข้าไปเกาะเมื่อไม่เข้าไปเกาะมันก็อยู่ที่ได้แล้วถึงบอกว่าอดทนไว้อดทนไว้ก็อดทนไว้อดทนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงจุดนี้เอง พอถึงจุดนี้เองแล้วก็เอาจุดเนี้ไปใช้งานอย่างอื่นก็จุดเนี้ยมาใช้งานอย่างื่ก็พัฒนาจิตขึ้นไปอีกยังมีขั้นตอนการพัฒนายังต้องเยอะแยะแต่ถ้าไม่อดทนตั้งแต่แรกก็เลิกกันไปโอ้ไม่เอาหรอกนไม่สู้หรอกอะไรก็วางไปก็แล้วแต่คนมีบางคนเขียนขึ้นมาถามผมอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดว่าทําไมต้องมาอดทนนั่งปวด เวลานั่งสมาธิช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยว่าทำไมว่าเหตุผลคืออะไรที่จะท้มานั่งอดทนปวดอยู่อย่างนี้เธอค ง, งโกรธหน้าดูพามันนั่งปวดจะตายหไหมคำตอบของผมพก็ อ, อ่านด้วยฟังม ุณขอโทษจริงนะมันเป็นความลับุมตอบมันเป็นความลับของอาจารย์ที่ถ่ายทอดกันมาโดยไม่มีการบอกคืออาจารย์แต่ละคนก็ไม่ได้มาบอกกันนะที่ถ่ายทอดกันลงมาแต่ไม่มีการบอกเพราะทุกคนผ่านกันมาหมดแล้ว ถ้าบอกผลจะเปลี่ยนนะซึ่งไม่มีซึ่งไม่ก่อประโยชน์กับคนฟังเองถ้าบอกผลจะเปลี่ยนถ้าอดทนอย่างเดียวล้วนๆผลจะถูกแต่ถ้าบอกผลจะเปลี่ยนจะมีตัวตนเข้าแทรก จะให้บอกไม่บอกงั้นอดทนไปเลยแค่นั้นอย่าทาอะไรให้ซับซ้อนยิ่งซับซ้อนตัวตนจะแอบก่อขึอ้นยิ่งทำอะไรจะเกิดตัวตนความยึดมั่นขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรมีคนถามหลวงพ่อชาว่ามีเส้นทางการบรรลุธรรมที่รัดสั้นที่สุดไหมท่านบอกมีไม่ต้องทำอะไรมีแค่เนี่ย ผมเชื่อว่าคนในโลกตีความหมายกันไปคนละทางเลยละ่ะในคำว่าไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเอาไว้ในคอร์สเนี่ยจะเข้าใจว่าคำว่าไม่ทำอะไรคืออะไรนี่มันปเป็นวันที่สองผมก็อยากจะพูดถึงตร ง, ตรงนั้นเร็วๆเพื่อจะได้จบๆนะเอาละสำหรับเช้าวันนี้ ไม่รู้ขี่เรื่องก็ไม่รู้แต่ก็ปนๆอยู่ในนี้แม่ไก่กบไข่นี่แหละทำเหตุให้ถูกผลถูกเองถ้าเมื่อไหร่ทำผลจำไว้นะเมื่อไหร่ทำผลตัวตนจะเกิดแทนเพราะจะมีตัณหาเอาละ่ะยกตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่จะจบการบรรยายถ้าท่านนั่งสมาธิรู้ลมหายใจ มีสภาพเหมือนแม่ไก่กำลังกบไข่ถูกไหมถ้าแม่ไก่ปรารถนาว่าเมื่อไหร่ลูกจะคลอดลูกจะออกจากไข่นั่นคือเรากำลังนั่งสมาธิแต่เราไปหวังว่าเมื่อไหร่จิตจะสงบจิตสงบเป็นผลลูกไก่จะออกไม่ออกเป็นผลไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่กาลังกบไม่เกี่ยวอะไรกับเราที่กาลังรู้หลบเพราะฉะนั้นวางไปเลย ถ้าไม่สงบก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราหน้าที่ของเราแค่รู้ลมอย่างเดียวตั้งมั่นอยู่กับการรู้ลมผลออกมาเป็นความสงบเล็กๆอยู่แล้วความคิดจะเกิดขึ้นเรื่องความคิดเราไม่ได้เข้าไปควบคุมอะไรเราทำเหตุอย่างเดียวทำเหตุอย่างเดียวเหตุอยู่ตรงนี้จะปวดก็เป็นสภาพปวดที่เกิดตามธรรมชาติ อาจารย์บอกอดทนอดทนไปไม่ตายหรอกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงไม่มีใครตายยังไม่เคยมีเลยไม่มีจริงๆคันท่างกันนานกว่า น, นั้นก็มีแค่ปวดอปวดก็อดทนไปก็แค่นั้นแหละแล้ววันนึงต้องอดทนไหมเอาเถ้านะอดทนไปก่อนอย่าไปสนใจวันหน้าคืออย่าเชือยากรู้ไปหมดนะทําแค่เนี้ยให้จิตมันตั้งมั่นอะไรจะเกิดมันเหมือนของที่อยู่ข้างนอก ตั้งมั่นอยู่ความสงบจากนั้นเดี๋ยวเรื่องราวก็จะเปลี่ยนเองเรื่องราวภายนอกจะเปลี่ยนจริงๆเรื่องราวภายนอกไม่ด้เปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนภายในก่อนพอเปลี่ยนภายในเดี๋ยวภายนอกจะเปลี่ยนตามนาฬิกาเดือนหนึ่งเข็มวินาทีหมุนเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊ติ๊ติ๊เข็มสั้นก็หมุน แต่เราดูเข็มสั้นไม่ออกหนึ่งติ๊กของหนึ่งวินาทีเนี่ยมีผลทั้งหมดต่อทั้งเข็มยาวเข็มสั้นนะแต่ถ้าจะให้เห็นว่าเข็มสั้นจากเลขหนึ่งเป็นไปถึงเลขสิบสองเนี่ยมันต้องอาศัยเข็มวินาทีที่หลายติ๊กมากนะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการเห็นผลเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนเข็มวินาทีนะ ฉันตั้งจิตไว้ให้ถูกก็แล้วกันแล้วผลถึงจะออก่อะสำหรับเช้านี้ก็คงเทนี้ก่อน